รักกันมากเพราะรู้ใจเอาใจและเกรงใจคนเรารู้ใจกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมียานดักใจเพราะหลังจากอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปิดหูปิดตาก็ต้องสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีใจหรือไม่มีใจให้กับเรื่องไหนปากกับใจตรงกันเพียงใด การกระทำตรงกับปากไหมในที่สุดก็แปลความรู้เห็นมากพอนั้นให้กลายเป็นการรู้ใจกันจนได้เมื่อรู้ใจเขาแล้วรู้ตัวเราว่าเป็นใครในชีวิตของอีกฝ่ายหากชอบใจกับการเป็นเช่นนั้นเรียกว่าเข้ากันได้เป็นความสุขของกันและกันไม่จำเป็นต้องเสียแส้แกล้งฝืนจึงเป็นธรรมดาถ้าจะนึก อยากทำอะไรอะไรให้อีกฝ่ายบ้างแล้วรู้เองว่าต้องทำอะไรไม่ให้ขาดตกในที่สุดก็แปลเป็นความมีแก่ใจอยากเอาใจกันและกันจนได้เมื่ออยากเอาใจกันและการสม่ำเสมอจะไม่หลงเมาความคุ้นเคยไม่ถูกอำนาจความคุ้นเคยบีเพื่อเลิกเกรงใจกันไม่เผลอมองว่าเป็นคนในบ้านหรือกระทั่ง เป็นคนในมือที่จะทำอะไรพูดคำไหนก็ได้ไม่จํากัดไม่นึกว่าเป็นของตายที่ไม่ต้องถนอมน้ำใจกันไม่ลืมว่าอีกฝ่ายเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ไม่เคยแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ไร้หัวใจในที่สุดก็ลงตัวตกผลึกเป็นความรู้สึกเกรงใจเคารพและให้เกียรติคนอยู่ร่วมบ้านกันจนได้ ความรู้สึกแสนดีหลังผ่านด่านการรู้ใจเอาใจและเกรงใจนำไปสู่กรรมดีที่ถักทอร่วมกันยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันและที่สำคัญเป็นเครื่องหมายบอกได้ว่าเป็นผู้ครองเรือนได้ครองสติได้สามารถปฏิบัติธรรมร่วมกันที่บ้านได้